พิจิกา <c oughs> พิจิกาหนาวก็ดีแลนะพิจิกา <c oughs> ก, กาธันวาโมกราคุมาพาทีนี้เขา่าจะหนาวไปังถึงเดือนเมษาไปาน้านนนนนนนหนาวเมื่อกเงือแต่สะอางเละ พวกนาคถ้าอยากบวชเร็วกลับมาจากอินเดียให้เพลาะให้คล่องเนอพวกนาคกลับมาจอินเดียให้คล่องไอ้พวกอยากบวชก็อยากบวชไอ้พวกอยากศึกก็อยากศึกมักนไม่มีอะไรเป็นประมาณเนาะหัวใจมนุษย์เห็นเนาะ ผู้อยากบวชก็อยากบวชผู้อยากศึกก็อยากศึกเจตีไหนทำยังไงไม่มีอะไรเป็นประมาณหัใจมนุษย์อิสระเสรีเ็ดปัจจัยที่มันคอยมากระทุงกระแทกในหวัวใจของเรามันมีหลายอย่าง เหตุปัจจัยที่เป็นธรรมมันก็ทำให้เรามีจิตน้อมมาในธรรมผู้ที่มีจิตน้อมมาในธรรมนี่ก็เห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างหนึ่งเห็นโทษเห็นภัยเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นการบุญการกุศลเป็นเครื่องรื่นเริงเป็นทางออกที่สว่างสวัย รู้สึกมีกิจิตกระใจจดจอ่จอรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกหวังพึ่งหวังพิงอแต่สำหรับคนที่มองไม่ออกขนาดนี้นี่ก็เห็นอยู่ก็ศัจตว์อยู่บวชก็สักติวะบวชไม่ได้คิดได้อ่านอะไรให้เกิดจิตทายให้เกิดความเชื่อให้เกิดความเรื่อมใสให้เกิดความปลื้มปีติยินดี กับการที่เราได้เพศกับการที่เราหยุดได้ยินกับการที่ได้ได้ฟังอัดธรรมนี่ผู้ศึกด้วยความเสื่อมศรัทธาผู้ที่ศึกด้วยไม่เสื่อมศรัทธาแต่ศึกด้วยความจาเป็นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอีกอันนึงนี่แหละ มันมีหลายเหตุหลายปัจจัยเราต้องต่อสู้เราต้องบุกเราต้องบุงเราจะให้กิเลสมันเสริมใจใเราเน่ยให้กรเลมันดันหลังให้เรา เ, เออไปเถอะไปเถอะไปเถอ ะ, ถอะนะไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมไปเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อนิพพานน่ย คอยให้กิเลสมันหนุนหลังให้กิเลสมันดันหลังไม่มีอกี่กับกี่กันพระเจ้าองค์ไหนไม่เคยมีอกิเลดดันหลังเราให้ให้เราได้มาเข้าสู่หนทางเพื่อห น, นีออกจากมันไม่นีเพราะกิเลสมันก็ฉลาดแบบกิเลสมันไม่เคยฉลาดแบบธรรมถ้าเป็นแบบธรรมแล้วกิเลสมันง้โง้อมากมาก แต่ถ้าเป็นแบบกิเลสแล้วนี่กิเลสมันฉลาดมันพายฉลาดแผลวผ้าแท้วแล้ละอ่ะซื้ไปเก็บพกบุ่งขายก็รวยได้เป็นเศรษฐีได้คุณดิไม่ธรรมดาดิมันเยิมไปหมดแหละมันยั่วยุเข้ามาในหัวจิตหัวใจแต่เวลาไปเจอทุกข์เครา่าโอ้เสียดายน้อเราไม่มีบุญแท่น้อเราเน่กลับตำหนิตัวเองแหละตอนนี้ ต้องมีตัวเองนะเสียดายเน้ะเสียดายเนาะเป็นพ่ายงันเนาะเป็นพ่ออย่างนี้เนาะโอกาสที่เราอยู่บนเส้นทาง ด, ดีแล้วจะรีบตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่ตัดสินใจทำตัวอ่อนข้ออ่อนแรงให้กับมันมหวังอยู่ร่ำไปว่าจะสดจะใสจะเจิดจะจ้า กับกลนกับอุบายมายา ล, stop, ลมลมแรงแรงของกิเลสที่มันเสกสรรฟันแต่งให้หาเรื่องทำเนิยต mm. pues, ัวเองย่างนั้นหาเรื่องทำเนิยตัวเองย่างนี้อยู่ทุกอย่างนั้นอยู่ลําบากอย่างนี้กิเลสมันเสกให้ทั้งนั้นล่ะดูไปเนื้อแท้ของมันมันไม่ใช่อย่างนั้น มันมีอย่างอื่นที่มันอยู่เบื้องหลังมันนี่ซ้อนๆๆๆๆๆเป็นคลื่นมันคลื่นตัวที่มันจะมาออกมันมาเปรยปากให้คนนั้นได้ยินคนนี้ได้ยินน่ยไม่ใช่เนี่ยมันมีหลายหลุมหลายบังเกอหลายหลบหลายซ้อนของมันมันฉลาดอีกกีริยามันฉลาดแบบกิเิย์ธรรมก็ฉลาดแบบธรรมแต่สรุปลงแล้วนี่ วัตตะสงสารกี่โลกธาตุก็ตามสยบลงด้วยธรรมทุกคนเนี่ยไปดิ่นรนกระเสือกกระสนอยู่ด้วยวิธีการใดๆก็ตามในโลกนี้อยู่มุมไหนก็โลกของโลกนี้ก็ตามด้วยแง่ใดด้วยมุมใดด้วยคนใดด้วยรูปใดในมุมโลกไม่ว่ากี่โลกธาตุก็ตามต้องมาสยบให้กับธรรมเป็นที่สุด แม้แต่พยามาณท้าวสวดีมาน่ยก็ต้องมาสยบให้กับธรรมนั่นพยามาณพยามาณตัวไร้ากาที่จะหวังแข่งกับพุทธบารมีนะในสุดเจ้าของต้องตั้งตั้งตนเป็นต้องตั้งตนเป็นพุทธบา ร, รมีตามอนี้ทาวสวดีนะ่ตั้งใจที่จะปราบคนที่จะมรรลุธรรมเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์ เพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้ามาพยาามาหาเรื่องขัดขวามทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในที่สุดต้องตั้งใจปรารถนาเพื่อเป็นอย่างนั้นบ้างนเห็นไหมกิเลสบรรดาเเลททั้งหลายทั้งปวงแม้แต่เท้าพยามาลทั้งหลายก็ยังมาสยบให้กับธรรมเราได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจอย่างนี้แล้วเราไม่รีบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแค่ไขทิศทางให้กับชีวิตของเรา ยังอบอุ่นใจยังกระยิมยิ้มย่องใจยังเพลิดเพลินเห็นทางสดใสหรู้รากับที่มันวาดให้เ้รอสดใสเนอะหรู้ราเนองเจิดจ้าเนอะพอออกไปเลยมอ ด, ดมิดมืดตึงๆนี่รู้จักคทธิเดชไหมมันเกลีย ม, มันกล่อม มันกลมสัตว์โลกไม่งั้นสัตว์โลกมจะอยู่ในเนงื่อมือของมันนะมันรา่าร่าเริงเลิดเพลินอายุหัวใจซะหน่อยหนึ่งหัวใจเนี่ยดิ้นรนไปตามมันมันรา่าเริงรา่าหัวก้าก้าวกาก้าก้าก้เสร็จกูอีกแล้วเสร็จกูอีกแล้วอมืมันเลี้ยงฉลองกันถ้ามีกี่หมู่กี่พวกมันเลี้ยงฉลองกันหมดมันได้เกีเรติ ลูกสมุนมันมีดีเท่าไรเท่าไรมันเรียกมาฉลองกันฉลองกันหมดเสร็จโกอีกแล้วนะพิจารณาให้ดีเรียนทรรมศึกษาธรรมอยู่ในเพศภาวะของธรรมของวินัยต้องฉลาดต้องฉลาดไม่ต้องไปรู้อะไรมากแต่มือนสี่พันธ้รมาันไม่ต้องไปรู้ เคยมีแหละกุลบุตรบวชมาแล้วก็มีอาจารย์สองอาจารย์ะไปหาอาจารย์หนึ่งเป็นอาจารย์คันธุรักไปหาอาจารย์อีกอาจารย์หนึ่งเป็นอาจารย์วิปัสนาธุระไปหาอาจารย์ธรรมไปหาอาจารย์วินัยโอยอาจารย์ยังไงก็ซอนอยู่แล้โอ้ยนึกไม่ไหวไม่ไหว ทำมันก็ถึกวินัยทอนหนสุขเบื่อโอ้ยไม่ไหวแล้วจําไม่ได้อะไรจําไม่ได้สักอย่างจําไม่ได้สักอย่างท้อใจว่ า, าศาสนธรรมของพระองค์ทําไมอะไรมากมายมหาศาลถึงขนาดนี้อืไปหาอาจารย์ทรงทำหมดฟ้าแต่ทำอะฝ่ายปริยัตฟ้าทุกยนจําอะไรไม่ได้สักอย่างสับสนอนลมานหมดไปหาอาจารย์ทรงรวินัยวินัยทอนเนี่ย ว่าแต่วินัยสยองจำอะไรไม่ได้เสียอย่างนายที่รก็เลยเบื่อหน่ายติดตันในหัวใจเวลาพระพุทธเจ้าสึกธิภิกษุเธอไม่ต้องไปสนใจอะไรมากดอกจำไม่ได้ก็ไม่ต้องจำเธอเอาอย่างเดียวได้ไหมเธอเอาใจเธออย่างเดียวได้ไหมพยายามทําใจเธอให้สงบอย่างเดียวได้ไหม ไม่ต้องเอาอย่างอื่นทิ้งหมดอ่าพระสูตรพระอภิธรรมพระวินัยอะไรทิ้งให้หมดเอาหัวใจของเธออย่างเดียวเอาได้ไหมพอพระพุทธเจ้าพูดเตือนสติอย่างนี้กันเลยเอเอเอี่นายจะได้นายจะง่ายในเมื่อพระาศาสดาแทา้ๆเห็นว่าพระธรรมไม่ยําเป็นจะต้องไปท่องไปจําไปเลยพระวินัยก็ไม่ยําเป็นจะต้องไปท่องไปท่องไปจำไปเลยเอาใจอย่างเดียวเอาใจให้มันสงบอย่างเดียวก็เลยมาทําตามที่พระองค์แนะนํา ไม่นานได้เปลี่ยนภาหารมีวิธีนี้ก็มีไม่ใช่ว่าจะต้องอ่านออกเรียนรู้ก็ไตรปิดกถึงจะอยู่ได้แค่ศึกษาให้รู้ว่าจิตมันอยู่จิตมันไม่อยู่เอาแค่นี้แหละจิตมันไม่อยู่ก็รู้อยู่แล้วก็ดึงมันมาดึงมันมาแล้วก็มันมัดไว้กับพุทโธจิตมันไม่อยู่ดึงมันมาวัดไว้มัดไว้กับพุทโธ อาสติเอาสัมปชัญญะเป็นเชือกมันมาอยู่ดึงมันมามัดไว้กับพุทโธให้มันตายอยู่กับพุทโธเนี่ยมันไปดึงมันมามัดอยู่กับพุทโธเอาสติเอาสัมปชัญญะเป็นเชือกเอาพุทโธเป็นหลักตอกลงไปให้ลึกๆไมให้มันคลอนตอกลงไปให้ลึกๆไม่ให้มันคลอนดึงเท่าไรไม่ให MM ้มันคลอนไม่ให้มันหลุดดึงเท่าไรไม่ให้มันหลุดดึงเท่าไรไม่ให้มันคลอนไม่ให้มันหลุด ให้สงบให้จิตมันสงบไม่ให้มันดิ้นรนมันเดือดมันร้อนมันดิ้นรนเพราะอะไรเพราะเราปล่อยปล่อยให้มันคิดมันนึกจนชินจนเคยชินเห็นอะไรนึกคิดปรุงแต่งไปตามใจชอบทั้งหมดไม่เคยที่จะต่อต่อก่อนกับมันไม่เคยที่จะย้อนมาดูตัวมันเองไม่เคยที่จะทําให้มันสงบให้มันนับตามใจที่เราหวังกิเลามันก็ได้ใจ เกลียบมก็ได้ใจเกลียบมันก็ขึ้นใจเกลียบมันพาสมัครพักพวกมักขยมหัวใจเนี่ยไม่มีแหละเ บ, บาๆไม่มีมิเตจะหนักหน้าไปเลยหนักหน้าไปเลยเราทราบขทางเช่นนี้แบบนี้เราเอาวิธีนี้แหละนี่เป็นวิธีที่ได้บุญที่สุดเป็นวิธีที่จะทําให้บารมีของเราเต็มตื้นอย่างเร็วที่สุดพรานาลูกเดียวนั่นแหละอม ยื้อแยื้นั่นมันตายกับพุทโธเดินนั่นมันตายกับพุทโธนั่งนอนนั่นมันตายกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเอาพุทโธเป็นที่พึ่งสิ่งที่เรารักที่สุดสิ่งที่เราชอบที่สุดที่ที่เยื่ในใจที่สุดเปลี่ยนแทนเอาพุทโธมาแทนเปลี่ยนเอาพุทโธมาแทนจิตมันรำพึงรำพันถึงอะไรก็ตาม พลิกใหม่เปลี่ยนใหม่เอาพุทโธมาแทนอืมเอาพุทโธมาแทนนึกถึงคนนั้นคนนี้นึกถึงใบหน้าอย่างนั้นอย่างนี้นึกถึงอะไรเอาพุทโธมาแทนพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธยืนพุทโธเดินพุทโธนั่งนอนพุทโธพุทโธสังเกตสังกายจิตของตัวเองพุทโธระมัดระวังจิตของตัวเองพุทโธมัดจิตของตัวเองพุทโธส่องมาดูจิตของตัวเอง พุโทโธเท่าความรู้เท่าจิตของตัวเองกําหนดย้อนมาดูานี้เมื่อเรากําหนดย้อนมาดูมันจะเริ่มสงบเริ่มสงบเริ่มสงบเริ่มสงบสง บ, สงบไปเรื่อยๆสงบไปเรื่อยๆจนถึงขั้นทําให้เราปลืม้มทําให้เราปีติทําให้เราแทนที่จะเป็นขนทองสยองกล้าวทาให้ขนขนนี่ ล้อมลงตามปกติไม่มีอะไรที่จะมายุเอะจิตใจของเราให้กำเริบได้รับความชุ่มเย็นได้รับความสงบได้รับความสงบได้รับความชุ่มเย็นได้รับความเบาอกเบาใจอได้รับความเบากายเบาใจได้รับความสงบกายสงบใจได้รับความปีติกายได้รับความปีติใจได้รับความสุขกายได้รับความสุขใจได้รับความเย็นกายได้รับความเย็นใจมันก็อยู่ ถึงความสุขแล้วมันก็อยู่ที่จิตมันดิ้นรนไปมันดิ้นรนไปเพื่ออะไรมันก็ดิ้นรนรนไปเพื่อหาความสุขแต่การดิ้นรนไปของมันน่ะมันเป็นการเข้าใจผิดมันคิดว่าสุขว่าสุขที่แท้ดิ้นเข้าไปหาไฟมันดิ้นเข้าไปหากองฟืนกองไฟแท้แต่เราไม่รู้ตามเราคิดว่าโ อ, อ้คิดไปหาสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลยรู้ละ เจอจ้าอยู่ข้างหนมันพาคิดพาหนึ่งพาดินไปอย่างนั้นแล้วก็หลงเคลอไปตามมันก็จิตตรงนี้พาคิดเนาะกิเลสมันก็บดบังสิ่งที่เป็นธรรมโอกาสที่จะ ย, ย้อนให้เห็นความจริงมันไม่มีมีแต่ปิดบังยังไงมันจะใช้กลอุบายหมายาลอกสิตเราได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเอามาคิดยิ่งเอามาม า, มาแทนมันว่า ง, ง, งั้นเถอะเอามานั่งกับอี้แทน ลองปล่อยให้เผลอไปนะนะไอตัวนี้แหละมันเอามาอ น, นั่งเก้าอี้แทนพุโทโธแหละเราพยายามนึกคิดจับเอาพุโทโธมานั่งเก้าอี้แทนมันเพราะจิตดวงนี้นี่มีก็เหมือนกับเก้าอี้ตัวเดียวที่ลงตาทันเทศนั่นแหละถ้านั่งคนละครั้งก็นั่งได้ทีละคนทีละคนะค น, นึกคิดเรื่องดีก็ความดีเต็มเปี่ยมถ้านึกคิดเรื่องไม่ดีใต้กิเกลนั่งเกิเลก็นั่งได้คนเดียว ให้ทำม้านั่งทำม้านั่งก็นั่งได้คนเดียวหละเราพยายามนั่งไม่ปล่อยไม่ลงให้มันน่ะในเมื่อเรามานั่งแท้เราจะมันจะทําอะไรกับเราอมันทําอะไรเราไม่ได้ในเมื่อเราตั้งอกตั้งใจในั่งเรามันเด่นกว่ามันอยู่แล้วเรื่องอะไรเราจะยอมยอมให้มันยอมให้มันทีไรเราทุกตามมันทุกครั้งยอมให้มันทีไรเราทุกตามมันทุกครั้ง เหมือนกับว่าเราเชื่อมันทีไรมันอถูกตีหัวแตกเลือดเยิอมกลับมาทุกครั้งเยิอมกลับมาทุกครั้งเพราะอะไรเพราะมันทุกข์ใจมันแป้วใจจากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้จากเรื่องนั้นจากเครื่องนี้ในขณะที่มันกระซิบกระซาบนี่มันเยิมยย้มยากเยิ้มยด ย, ย้อยอเป็นที่อบอุ่นใจเป็นที่หวังพึ่งใจเจอจ้าอยู่ในหัวใจแต่พอเราหลวมตัวให้กับมันเสร็จแล้วเนี่ย เสร็จมันเลยปอะปอกตายอ่ะอปอกปอกตายแล้วปอกปอกตายแล้วตายอยู่นั่นแหละปากไม่ออกบนไม่ออกโอยถูกมัดมือถูกมัดตีนถูกมัดคอเสียแล้วดินไม่ลงดินไม่ออกดินไม่หลุดเสร็แล้วก็มารำพึงรำพันตามหละท่นี้หากฝืนดินฝืนดิน ต้องหักสลายไปข้างใดข้างหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องทุกข์ตรำมานต้องฝ่าต้องฝืนต้องอะไรสารพัดนี่มารำพึงนำพันอะทีนี้หาอุบายวิธีที่เราเอามาปรับกลุ่มแก้ไขตัวเองเพื่อเอาชนะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีมากขอให้เรามีความพออกพอ ใ, ใจ มีความพออกปลอยใจยินดีพเพลินใจกับเพศกับภาวะของตนของตนเนี่ยเราก็มีกำลังใจแทนที่เราจะปลอบใจเราไปเอาเราไปเสียอย่างนั้นเราปลอบใจเพื่อเอาเรามาดีอย่างนี้มันได้เปรียบกว่าแล้วก็ปลอบใจอย่างนี้แหละอดก็อดอย่างนี้ทนก็ทนอย่างนี้ ปลอบใจเราก็ปลอบใจเราอยูอย่อย่างนี้เพื่ออย่างนี้ทั้งอดทั้งทนทั้งฝฟาทั้งฝืนทั้งจะทรมานไม่ต้องไปทรมานทำแหละทรมานกิเลสฟาฝืนกิเลสอดทนต่อกิเลสต่อก้อนกับมันนี่แหละอถือว่าเป็นการขยี้กันกับขยี้มันกับมันนี่แหละอ๋อมึงเกต็มมึงดึงไปดูทั้งหน้าทั้งตาจ้องมันโดยมันดึงไปดูกูจะดูมึงจะทําอะไร ามาดึงไปดูขยเยอรไปดูมันสู้ทำไม่ได้เพราะทำครองโลกอแล้วยังไงยังไงมันก็สู้ไม่ได้แน่แนแหละดิ่นรนไปเอาให้กูขาดใจตายมันไม่มีขาดใจตายไม่มีหากถ้ามันหลอกเท่านั้นแหละหลอกอุย้ยเสียดงเสียดายเายหลอกไม่หยุดไม่หย่อนเพื่อที่จะให้เรายอมแพ้ให้กับมันด้วยเหตุที่เรามีหลักมีเกณฑ์นี่ โอ้ยนันก็ยากนี้ก็ยากนั่นกล็ลาบากไม่เอาเ้ยลกมาอยู่ตรงอันนี้แหละโทโพุโธพุโธนี่แหละไปลัความสงบไปรับความแน่นหนาะมันคงเรื่อยเรื่อยเขา้าเรื่อยเขา้าเรื่อยเข้าที่มันสงบไม่ได้ที่มันนิ่งไม่ได้ที่มันแน่นหนาะมันคงไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจมันกระเพื่มอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่พากระเพื่มคืออะไรดูเอาเองอะ่ะสิ่งที่พากระเพื่มน่ะคืออะไรดูเอาเองเราจะยอมให้มันกระเพื่มเหรือเพื่อจะมาทําลาย ราบฐานแก่นเพื่อความสงบเพื่อความสุขเพื่อความร่มเยน็นเกี่ยวกับการรักษาศีลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเราจะยอมมันหรือเราไม่ยอมเราจะยอมให้ของที่เป็นของจอมปลอมล้มตัวให้กรบมันได้ง่ายๆเลยเราต้องหยิงในเราต้องหยิงในกุลบุตรในพุทธบุตรอพุทธบุตรพุทธบุตรภิกษุภิกษุ ภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยจำเข้าไว้ภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยเห็นภัยในวัฏสงสารภิกษุภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยสมณนะสมณะแปลว่าผู้สงบอืมสมณะแปลว่าผู้สงบภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยวันพรชิดแปลว่านักบวช นักบวชเพื่ออำเนวยให้กับข้อประพฤติปฏิบัติในการที่จะหลบภัยสรุปลงที่การสัมรวมการระ ม, มัดระวังสัมรวมภางนอกสัมรวมข้า ง, นางหนความสัมรวมเป็นเหตุให้ได้รับความสงบสมณะแปลว่าผู้สงบถ้าหากเราไ ม, ม่สัมรวมระ ม, มัดระวงังมันจะสงบได้อย่างไร กิริยากายของเรากิริยาไาวจับของเราถ้าเราไม่สัมรวมระมัดระวังมันจะสงบได้อย่างไรกิริยาของจิตของเราถ้าเราไม่สัมรวมไม่ระมัดระวังมันจะสงบได้อย่างไงมันจะสงบไม่ได้เราจะต้องสัมรวมสัมรวมเห็นเห็นภาพเราก็ต้องสัมรวมการสัมรวมจะต้องมีสติมีสัมผชสันยะเห็นภาพลืมตาเห็นภาพ ข้างนอกภาพอะไรก็ตามเราต้องสํารวมให้อยู่กับผู้เห็นอย่าไปอยู่กับสิ่งที่ถูกเห็นเราหลับตาเห็นภาพเราก็อยู่กับผู้รู้อย่าไปอยู่กับภาพที่เราเห็นแค่เรานึกเราคิดแค่นี้มันก็ได้ข้อคิดแล้วแหละมันไม่ใช่อันเดียวกันแต่ด้วยเหตุที่เราไม่เคยไม่เคยสนใจไม่เคยย้อนมาดู เห็นเป็นอ well, ันเดียวกันกับผู้เห็นรับตาเห็นไอ้ผู้รู้กับสิ่งที่สูเห็นเป็นอันเดียวกันลืมตาเห็นไอ้ผู้รู้กับสิ่งที่เห็นกเป็นอันเดียวกันไม่มีอะไรเป็นเครื่องแยกแยะไม่รู้เราจะเอาฉลาดความฉลาดอุบายมายาที่จะตอกกอดกับมันได้ยังไงเห็นสิ่งที่ดีมันก็ดึงไปมันก็ลาบไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็ดึงไปมันก็ลาบไปถ้าเราสังรวมสังวรแปลว่าสังรวม เห็นอยู่กับผู้รู้อย่าไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นจับเอาแค่นี้แหละให้มันคล่องตาลืมตาเห็นอยู่กับผู้รู้ว่าเห็นแต่อย่าไปอยู่กับสิ่งที่ถูกเห็นอย่าไปอยู่กับรูปงั้นเถอะหลับตาเห็นเห็นภาพภาพอะไรก็ตามภาพดีภาพไม่ดี ภาพชอบใจไม่ชอบใจอย่าไปอยู่กับภาพที่เห็นให้อยู่กับผู้รู้ว่าเห็นรู้ได้อย่างไว่าเราจะอยู่กับผู้รู้ว่าเห็นมีสติมีสัพพัญญะกำกับจิตจะต้องอยู่กับจิตจะต้องมีความรู้สึกอยู่กับจิตเห็นกระสัแต่ว่าเห็นแย็บแล้วก็ผ่านไปแยับแล้วก็ผ่านไปแยบแล้วก็ผ่านไปแยบในรูป ถ้าเรียกว่าจักขูวิญญาณเกิดความรู้ต่างๆแยบทางเสียงโสตะวิญญาณเสร็จแล้วก็ดับไปแยบแล้วก็ดับไปแยบแล้วก็ดับไปแยบแล้วก็ยืดแสดงว่าเราไปเกาะมันแล้วแยบแล้วก็ยืดยืดตามมันะยืดตามรูปแสดงว่ามันดึงเราไปแล้วเราเผลอแล้วมันดึงเราไปแล้วข้อปฏิบัติข้อฝึกซ้อมแล้วก็อยู่ตรงนี้ จับให้ได้จับหลับหลักแค่นี้เราต้องจับได้มีตาไหมเรามีตาตาเราเห็นรูปทุกครั้งไหมเห็นรูปทุกครั้งที่ลืมตาตั้งใจเห็นก็ตาไม่ตั้งใจเห็นก็ตาเห็นทุกครั้งลืมปุ๊บเห็นปับ๊บเปิดตาปุ๊บเห็นปับ๊บเรานั่งหลับตาภาวนาปับ๊บเรานั่งหลับตาปับ๊บพอมันนึกถึงรูปรูปก็ปรากฏปับ๊บเนี่ยเป็นมโนวิญ ญ, ญาณ เป็นธรรมารมอารมณ์ที่เกิดทั้งทั้งที่เราหลับตานั่นแหละนึกถึงรูปปับ๊บรูปก็ปรากฏปับ๊บรูปที่เคยผ่านหูผ่านตามาก็ตามไม่เคยผ่านก็ตามจิตนี้มันสามารถจะหมายคำว่าหมายมันหมายความว่ามันวาดเอาเองก็ได้วาดให้ดีให้ดีให้โดงให้เด่นให้ดังมันวาดยังไงได้หมดจิตตรงนี้เพราะมันเป็นแก้วสารพัดนึกเป็นสิ่งอัศจรรย์จิตตรงนี้ลองคิดดูที่ วาดเป็นอะไรได้หมดอ่ะนึกคิดว่าจะเป็นอะไรเป็นอนั้นหมดมันจะเป็นมโนภาพขึ้นมาทันทีเอา้านึกถึงอังกฤษเยอรมันน่ะวาดภาพเห็นหมดนึกถึงเทวบุตรเทวดานึกถึงนิพพานก็เห็นนิพพานนั่นแหละนึกถึงพระพรหมชั้นน้นชั้นนี้เห็นหมดเพราะอะไรเพราะมันวาดเอาเองความวาดของจิตนี่นท่านเรียกว่าหมายหมายรู้หมายรู้จิตมันหมายรู้ของมันเอง ก็คืออะไรก็คือสัญญานั่นแหละจำได้คือรูปพิพานหูพันตาน่ะจำได้รูปนั้นรูปนี้คนนั้นคนนี้สีนั้นสีนี้แต่เรื่องการหมายรู้หมายรู้คือมันเดามันคาดมันเดาเอาเองเดาเท่านั้นไม่ใช่ของแท้ของปลอมทท่านั้น่ะเดาเอาคาดเอานึกถึงอะไรภาพเหล่านั้นก็มาปรากฏนึกถึงอะไรภาพเหล่านั้นมาปรากฏเป็นของวาดเป็นของเดาเอาเท่านั้นแหละอืม การหลับตาเห็นการหลับตาเห็นบางทีก็เป็นของแท้บางทีก็เป็นของปลอ ม, อมบางคนก็เอาของปลอมมาพูดเห็นนีเห็นนี้ไหายนั้นว่ายนี้บางทีก็เอาโมโนภาพเอามาพูดเ ป, เป็นนู้นเป็นนี้แต่ผู้ที่ท่านเห็นจริงเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยด้วยยานนทศนะ ด้วยนิมิตทัศนะข้างใหม่อันนี้ก็มีถึงยังไงก็ตามครูบาอาจารย์ท่านก็ยังไม่ให้ให้กับให้ความหมายกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะบางทีไม่แน่ว่าจะจริงหรือไม่จริงบางคนได้ยินกระซิบกระซาบโอ้ยคุณพ้นแล้วคุณพ้นแล้วคุณพ้นทุกข์แล้วคุณพ้นทุกข์แล้วเสียงกระซิบกระซาบแค่นี้เองยังไม่ได้ดูข้อปฏิบัติของตัวเองนะ ยังไม่ได้ดูคิเลสในใจของตัวเองราคาโทสะโมหะหมดไปเลี่ยงกล่าวหรือยังมีญาทัศนะบอกแล้วหรือยังเชื่อแล้วเชื่อแล้วโอ้ยเราบรรลุแล้วเราบรรลุแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วนี่มันโอกาสที่จะหลงไปแบบนี้ได้ง่ายๆอเราผู้ฝึกฝนอบรมเรามาดำพุรพันนิกนึกถึงสิ่งต่างๆอันนี้บางทีเราไปยังไม่ถึงก็เป็นเหตุเกินจําเป็นไปเราไอ้แค่ว่าสํารวมตาเนี่แหละอืม รวมตาเวลาเห็นรูปก็ให้อยู่กับผู้รู้อย่าไปอยู่กับรูปมันก็จะเป็นรูปก็เป็นรูปผู้เห็นรูปก็คือผู้เห็นรูปให้เกาะให้เกาะติดกับผู้รู้ของตัวเองให้อยู่กับผู้รู้ของตัวเองให้อยู่กับจิตของตัวเองไม่งั้นเราก็โดนหลอกอย่างเรืยมันจะเป็นอะไรปัญญาจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามอยู่กับอันนี้ซะก่อน อยู่ให้มันได้กำลังซะก่อนอยู่ให้มันได้ครับความแนบแน่นซะก่อนอืเราจะปิดมันไม่อยู่จิตจิตดวงนี้ปิดไม่ให้มันออกเราปิดไม่ได้ดอกอแล้วเมื่อมันสงบแนบแน่นมั่นคงหนักเข้ามากเข้ามากเข้ามันกระดุกเดิกมันแสดงออกมันเป็นเรื่องของปัญญาเพราะสัจธรรมทั้งหลายทั้งปวงมันจะเริ่มมาปรากฏชัดของมจิตที่มีความสงบ สัตจะทำที่อยู่รอบข้างตัวเรามันจะเริ่มมาปรากฏให้เรารู้ให้เราเห็นความยิบยิบแยบแยบความนึกความคิดภายในรอบรอบตัวเราหลับตาก็ตามลืมตาก็ตามอะไรที่จะมาสัมผัสสัมพัสทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเรามันเริ่มเชื่องเริ่มชินโอกาสที่สัตย์จะทำที่จะมาปรากฏเฉพาะจิตของเรามันง่าย ตาก็สามารถมองเห็นง่ายรูปหูก็สามารถเห็นง่ายาเห็นสัจธรรมพอได้ยินปับ๊บสัจธรรมก็ปรากฏได้ยินปับ๊บสัจธรรมก็มาปรากฏไอ้แค่มันสําคัญไอ้แค่ทําให้เราเข้าใจว่าโ อ, อ้รูปเป็นรูปผู้รู้ว่าเป็นรูปอันนี้เป็นกิดเป็นผู้รู้เราก็อยู่กับผู้รู้อย่าให้มันเป็นอันเดียวกัน เสียงก็เป็นเสียงผู้ได้ยินว่าเสียงก็เป็นเสียงนี่นี่ก็เป็นสัจธรรมนั้นมันจะเริ่มปรากฏละตากับหูจมูกกับลิ้นอาจจะจมูกจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรักกายกับสัมผัสสัมผัสที่กายสัมผัสกายเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสพวกมดพวกแมงมัดไตมา ต, ามาตอมผิวกายของเราเนี่ยมันเป็นกายประสาท เย็นมาสัมผัสร้อนมาสัมผัสหยาบมาสัมผัสละเอียดมาสัมผัสสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่แข็งกระด้างอะไรมาสัมผัสเราทราบหมดอ่อนนิ่มกระด้างยังไงเราทราบหมดนีกายประสาทประสาทสัมผัสจิตผู้รู้ว่าสัมผัสก็เป็นผู้รู้ว่าสัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสกับกายเราก็ทราบว่าเออกายได้รับสัมผัส แต่ถ้าหากเราไม่ไม่เข้าใจแค่นี้เราไม่ทราบแค่นี้อืเราก็เป็นอันเดียวกันแยกไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจิตเริ่มสงบเนี่ยจิตมันจะมีฐานอยู่ของมันรูปเป็นรูปเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นรสเป็นรสสัมผัสเป็นสัมผัสแม้แต่อารมณ์ข้างในจิตมันนึกคิดเป็นเรื่องอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นอะไรก็ตามที่มันล่วงไปเป็นธรรมารมณ์ สัจยธรรมต่างๆเหล่านี้มันก็ปรากฏชัดจิตเป็นอิสระไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อานาจของรูปของเสียงปรี่ทนวัตธรรมอรมณ์ต่างๆเหล่านั้นจิตเป็นอิสระแค่นี้ก็คือเราเห็นสัจจและสัตยธรรมอยู่รอบข้างตัวเรานอกจากเราเห็นแค่นี้แล้วเราก็สามารถยังจิตของเราทราบถึงหลักสัจจที่อยู่รอบข้างตัวเราถึงหลักสัจจที่กาย มาเกี่ยวข้องกับจิตของเราจิตของเราเกี่ยวข้องกับกายสัจจะของกายเป็นอย่างไรคติของกายเป็นอย่างไรเหตุปัจจัยของกายเป็นอย่างไรมันจะค่อยๆเริ่มรู้เริ่มเรมเข้าใจนอกจากนั้นแล้วโอกาสเมื่อเราเมื่อมีโอกาสรู้กายแล้วก็มีโอกาสที่จะมาย้อนมาดูจิตสัจจะของจิตเป็นยังไงสัจธรรมของจิตเป็นไงมีโอกาสที่จะมาสอดส่องที่จะมาย้อนไปย้อนมากลับไปกลับมา มันก็สนุกในเมื่อเราอยู่กับพ้นทางตรงนี้ข้อปฏิบัติมากมายมหาศาลผลปรากฏรสชาติของอัดของทร ม, มีมากมายมหาศาลที่จะทำให้เราได้ดูได้ดื่มได้ลิ้มได้สัมผัสได้สัมพันธ์อยู่ทุกระยะทุกเวลานีสจัจธรรมสิ่งทั้งนี้จะเริ่มปรากฏเมืเ่อจิตเราเริ่มสงบเพราะฉะนั้นเราดึงไม้สงบอย่างเดียวดึงไม้สงบอย่าไปกลัวว่าสงบแล้วจะสงบเป็น เป็นตอนสงบเป็นหลักเป็นตอน่ออย่าไปคิดคิดแบบนั้นคิดทั้งๆที่ยังไม่มีความสงบแล้วก็กลัวก่อนขอให้มีสติมีสัมผัสฉันยะกํากับจิตให้จิตได้รับความสงบวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เป็นเป็นสัมมาสัมมาสมาธิเป็นสัมมาสมาธิเมื่อจิตเราเป็นสมาธิแบบสัมมาสมาธิแล้วเราไม่ต้องกลัวว่า จิตของเราจะสงบเป็นหัวต่อไม่ต้องกลัวโอกาสที่จิตนี้มันจะกระดุกกระิกพลิกแพลงเพื่อที่จะไปรู้ไปเห็นไห น, น, นเ่ามันเห็นสัจธรรมรอบข้างตัวเราเห็นสัจธรรมกายเราเห็นสัสจธรรมจิตเราสัจธรรมอื่นมันก็เป็นเป็นอันเดียวกันหมด ส, มสามารถจะย่อนเข้าไปรู้เข้าไปเข้าใจหมดแต่ก็ไม่สาคัญสําคัญที่รู้กายเรารู้จิตเรานี่แหละเพราะเดี๋ยวนี้เราหลงหลงกายเราเราหลงจิตเราข้างนอกเป็นของที่ลุกลามไปจาก ที่เราหลงข้างในนี่แหละเราไม่เห็นเข็มแจ้งในข้างในเราจริงไม่เห็นเขีมแจ้งข้างนอกเมื่อเราเห็นเข็มแจ้งข้างในเราก็เห็นเจ็ยมแจ้งข้างนอกเมื่อเรายังโงออยู่กับข้างในข้างนอกมันก็ดึงเราไปเมื่อเราฉลาดข้างในแล้ะข้างนอกดึงเราไปไม่ได้ยามดูยามพิจารณาที่สําคัญสุดให้ได้รับความสงบเดินยืนเดินนั่งนอนกลับไปนี้ทั้งคืนลองไปทําให้ได้รับความสงบดู มัดมันอยู่นั่นแหละมันไปไหนมันต้องอยู่ในเงื่อมมือมืออ่ามันต้องอยู่ในเงื่อมมือเราแหละเก่งขนาดไหนสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเรานี่เก่งขนาดไหนเก่งขนาดไหนที่เรามันจะเก่งขนาดไหนเราเก่งขนาดไหนต้องเอาให้ชนะทีเลียนในใจของเราในในใจเรา ต้องชนะตัวเองการชนะแบบนี้เป็นการชนะตัวเองการชนะตัวเองก็คือการชนะเกลเลดของตัวเองเลยถ้ามาตรงช่องทางตรงนี้เราจะชนะไปที่อื่นชัดแพ้ทั้งนั้นแหละไปได้ดิบได้ดีวิเศษวิโสขนาดไหนก็คือแพ้แพ้แพ้แพ้อะไรแพ้กิเลดชนะอย่างอื่นก็ตามไปแพ้เก่เลดก็คืออยู่ในวงล้อมของมันอยู่ในโครงข่ายของมัน หนีออกจากกรงขังของมันไม่ได้ถูกมันล้อมอยู่นี่แหละมัดอยู่นี่แหละวัตตาสงสารเป็นกรงขังเราอยู่ออกจากมันไม่ได้แต่ของเราจะต้องตัดมันจะต้องต่อกก่อนมันเราจะต้องต่อสู้กับมันต่อสู้กับกิเลสนี่ช่องทางอุบายวิธีเราจะไปจะไปมองไกลมองไกลเลยมันจําไม่ได้ล้องไปนู้นหลงไ ป, งไปทั่วทิพยทั่วเด่ยจับเอาตาเราจับเอารูปเราเนะี่ย จับเอาพุทโธพุทโธน่งพุทโธพุทโธก็ต้องมีสัมปชัญญะกำกับจิตของเราเป็นคนดําริว่าพุทโธพุทโธพุทโธในขณะที่มันว่าพุทโธพุทโธเราสามารถจะกลั่นกรองได้สติเราอยู่ไหมสัมปชัญญะเราเราอยู่ไหมสติสัมปชัญญะถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับ น, น, น้ํามันนี่แหละในขณะที่เราวิ่งรถไปนี่ยน้ํามันเรามีพอไหมน้ํามันเรามีพอไหมน้ำหมดน้ํามันมันก็จอดละ หมดแล้ามันก็จอดแล้วสิสีที่เรากรองไปด้วยสติสัพพัญญะกํากับไปด้วยกรองไปด้วยพุทโธไปด้วยรู้ตัวไปด้วยพุทโธไปด้วยรู้ตัวไปด e. ้วยพุทโธด้วยรู้ตั ว, ต ว, ตวด้วยเป็นได้ไหมลองว่า ด, แ Просто, ดูแล้วก็ย้อนไปดูมันอยู่ได้ไหมพุทโธด้วยระลึกได้ว่าพุทโธด้วยรู้ตัวว่าพุทโธอยู่ด้วยระลึกได้ไหมรู้ได้ไหมลองย้อนไปดู ต้องพยายามขัดกล่าวต้องพยายามชี้ชัดลงไปให้จิตของตัวเองไม่งั้นมันจางไปเลยจางไปเลยจางไปเลยพยายามเลาให้แหลมปิดเมื่อกเราแหลมยันสอนนั่นแหละให้จิตของเรามันร่วมร่วมร่ ว, ร ว, รวมยันแหลมปิดนั่นแหละมันถึงจะเด่นชัดกับอารมณ์ที่เราทําความรู้ทําความเข้าใจมันไม่งั้นมันกระสานช้านเทนจับไม่อยู่ทั้ทงจะคิดไปนู้นทั้งจะคิดไปนี้มันก็จัดกระจายกันไปหมดหละ ทั้งจะคิดถึงรูปทั้งจะคิดถึงเสียงทั้ง ค, คิดไปข้างหน้าทั้งจะข้างหลังวกวนอยู่นั้นน่ะหนักหนเข้าก็เครียดอเรื่องนั้นคิดยังไม่จบเรื่องนี้พอก็ามาทั้งอยากทั้งเสียดายอยากจะคิดเรื่องนี้ไอ้เรื่องนั้นก็ยังไม่จบเรื่องนั้นก็ดึงไปเรื่องนี้ก็เอ๊ะจะทําอะไรจะแก้ไขยังไหนสูดอะไรเครียดอรู้ให้รู้ได้เลยนี่แหละจิตเราบ้าแล้วบ้ากับอารมณ์ของมันเอง อ่แต่ต้องไม่ไม่ต้องไปเล่าใครฟังให้รู้เราบ้าคนเดียวเราบ้ากับอารมณ์นั้วอารมณ์อารมณ์แบบนี้แหละมาท่านเรียกว่าเ้าเรียกว่าอ่ารมณ์ที่เยียดทำให้เราเนี่ยเกิดความเครียดเขาเรียกว่าวิตตกกังวลทั้งจะคิดหน้าทั้งจะคิดหลังอรีรีข ว, ขวางขวางอย่างนั้นแหละ ตัดสินใจไม่ได้ปลงใจไม่ได้นี่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องดูดูให้เห็นว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะดั่งริยังไงมันชัดเจนขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งสาเหตุนี้เนื่องจากว่าเราปล่อยให้มันกระสานช้านเฉียนไปอย่าทิ้งพุทโธพุทโธนี่เป็นมีดคมแท้ๆเหลาเหาเหลาเหลาเหลาเหาดึงเข้ามาเห้าเหลาเหาจนแหลมเป๊ะชัดเจนขึ้นมา ถ้าเราจะเทียบกับไบฉัยอย่างหนึ us ่งที่มันหมุนหัวได้เน่ยมันกระจายออกไปแล้วก็มุนมุนมุนจนจนมันได้จุดเล็กเล็กที่สุดเน่ยไปศูนย์กลางที่เล็กที่สุดอ่าเล็กเท่าไรก็ยิ่งชัดเล็กเท่าไรก็ยิ่งชัดเล็กเท่าไรกยิ่งชัดถ้าเราจะเทียบถึงไม้ที่เราเหลาแหลมเนี่ยแหลมเท่าไรก็ยิ่งคมแหลมเท่าไรก็ยิ่งคมอ่าเล็กเท่าไรก็ยิ่งคม อยู่กับอารมณ์เดียวเท่าไหร่ก็ยิ่งชัดเข้าไปยิ่งชัดเข้าไปยิ่งชัดเข้าไปความชัดในคําว่าพุโทโถนยิ่งชัดไปเท่าไหร่จิตมันก็อยู่มันไม่กระจายออกไปแล้วมันก็อยู่นถอะมันก็สงบเถอมันสงบกับคํานํำริคำกับด้วยสติสัมปชัญญะตลอดต่อเนื่องก็ตามตราบใดที่มันยังไม่อิ่มไม่พอยังไม่เกิดปีติเราก็จู่อย่างนั้นไม่ปล่อยอยู่อย่างนั้นไม่ปล่อยนักหนาเข้ามันก็อิ่ม พอมันสงบนานๆเข้าสักหน่อยมึงก็อิ่มอิ่มอิมเราว่าพุทโธมก็อยู่เราไม่ว่าพุทโธมก็อยู่จนนักนาเข้าทิ้งคําว่าพุทโธ ม, มันก็อยู่ก็ปล่อยมันอยู่สงบวิตกวิจารทิ้งวิตกทิ้งวิจารณ์จากนั้นมันก็มีรสมีชาต์แล้วมันมีปีติมีความสุขมีความสงบจิตใจที่เคยสับสนวุ่นวายหมดไปจบไปเคยปวดหัว ปวดเสียนเวียนกล่าวก็หมดไปเบาไปบางไปปลอดโปรงข้างใน <c oughs> เพราะการภาวนามันสามารถปรั บ, <c oughs> รบจิตเราได้มันสามารถปรับใจเราได้มันสามารถปรับกายเราได้มันสามารถปรับมันสมองของเราได้ให้ได้รับความสงบได้รับความสุขได้รับความอิ่มเ อ, อิบนี่แค่ความสงบนะอย่างที่พูดมาแล้วแหละ เราเริ่มสงบจิตเราเริ่มสงบสัจธรรมก็จะเริ่มชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าแล้วมันจะแยกของมันเองมันจะเริ่มชัดเราไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นอะไรอื่นคือสัจธรรมอะไรอีกละไม่ต้องไปดูก็ดูที่ผู้รู้ของเราผู้รู้เห็นรูปมันไม่เป็นอันเดียวกั น, น efic. มันก็ไม่ดึงเราไปละผู้รู้ได้ยินเสียงมันไม่เป็นอันหนึ่งกันอันหนึ่งกันมันก็ไม่ดึงเราไปแล้วอได้กลิ่นได้รสได้ธรรมารม อารมณ์ที่เป็นสัญญารูปสัญญาสัทธะสัญญาเสียงเนี่ยคันทะสัญญากลิ่นคันทะสัญญากลิ่นผพระสัญญาเนี่ยนี่การถูกต้องการสัมผัสมโนสัญญาจิตน้อมนึกไปถึงอารมณ์เรื่องราวทั้งเก่าทั้งใหม่อย่าลืมว่าสัญญาจำได้หมายรู้ ตัวหมายรู้ตัวนี้แหละมันเป็นอิสระของจิตที่มันจะคาดจะหมายจะเดาอมันสามารถนั่งสร้างวิมานที่ไหนก็ได้ยังไงก็ได้อสร้างอะไรให้เจิดจ้ายังไงก็ได้จิตมันสามารถไปสร้างได้เท่านั้นแหละไปสร้างสิ่งที่น่ารักที่สุดสร้างสิ่งที่น่าชังที่สุดสร้างสิ่งที่น่าวาดเสียวน่ากลัวที่สุดมันสามารถสร้างได้ทําได้ มันสามารถสร้างกีโลกก็าตามสามารถสร้างได้หมดมสามารถทาได้หมดความเป็นอิสระของจิตความอัศจรรย์ของจิตแต่ถ้าเราจับเขามาัมัติให้เขาอยู่ในสัจธรรมเขาจะอยู่กับสิ่งที่ชัดที่สุดมีเหตุมีผลมีมูลฐานมีความจริงที่ปรากฏอยู่มันจะไม่เลื่อนลอยแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาคิดให้เขาสร้างสัญญามโนภาพเลื่อนลอยสร้างได้ทั้งวันทั้งคืน เราอย่าไปให้ความสำคัญมั่นหมายกับสิ่งต่างๆอันนั้นให้ความสำคัญมั่นหมายกับกายอันนี้กับจิตอันนี้เพราะเดี๋ยวนี้เราหลงกายตัวนี้เราหลงจิตตัวนี้สิ่งที่เราไปวาดข้างนอกมันเกิดขึ้นจากเราหลงข้างในเราไปหลงข้างนอกวาดในขณะที่เราวาดเนี่ยเราก็เอาจิตตรงนี้เราวาดพอวาดไปแล้วมันก็หลงกับสิ่งที่เราวาดนั่นแหละ วาดไปแล้วมันก็ลาาลนหงงงงกลงกับสิ่งที่เราวาดแลนวให้เราดำริเองเราคิดเองเราสร้างเองเราก็หลงกับสิ่งที่เราดำริสิ่งที่สิ่งที่เราคิดเองเนี่ยเราเห็นความอาศัศจรรย์ er ของกิเลสไหมเราวาดเองเราหลงเองนี่หลงตา ท, าทันเะทียนสัญญามันสร้างเองแต่จิตมันก็หลงหลงสัญญาที่มันสร้างเองเราฟังและถึงใจไหมจิตมันเกิดขึ้นสัญญามันเกิดขึ้นจากจิต จิตมันเป็นคนวาดสัญญาอิมันเป็นคนตั้งสร้างสัญญาอิแต่ในขณะเดียวกันสัญญาตัวเนี้มันมาพันหัวของจิตเนี่ยอจิตมันก็หลงสัญญาของตัว เ, เราพยายามดูให้เห็นให้ให้เข้าใจประเด็นนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาโอ้เราเนี่ถูกหลอกทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกอิรยาอาการของจิต ท, ที่มันออกไปข้างนอกร้องไม่จบไม่สิ้น วันนี้ก็หลงหลงหลงห ง, งทับตั้งแต่เช้ามาจนจนถึงนี้หลงทับซ้อนกันอีกนั่นอ่ะหลงหลงหลงหลง ท, ท, ท, ท, ทับกันอยู่นั่นแหละหลงซอกหลงซ้อนทับกันซ้อนซ้อนซ้อนกันอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนก็เลยตกตะ ก, น อ, ก, อ, ก, ก, น อ, กอนหนาปึ๊บอ่าถูกความหลอกถูกมันหลอกจนหนาปึ๊บเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดถูกมันหลอกเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดตรงกันข้ามถ้าเรารู้เราเข้าใจเรื่องหนักของสัจธรรม สัจธรรมเราเริ่มรู้เริ่มเห็นมา ต, ตั incluso, en, ต ó, ้งแ ouais, ต่เช้านะจนมาถึงนี้เอสัจธรรมเห็นความจริงซอนๆๆๆๆๆอันนี้เกลายมันกลายเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นตั้งแต่เช้ามาจนถึงเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นมากๆเข้ามากกว่ากิเลสมันแทรกจิตของเราเราก็ได้คะแนนชนะมันตัวเราก็มีกําลังมากกว่ามันได้คะแนนชนะมันได้กําลังมากกว่ามัน ได้ความหนักแน่นได้ความมั่นคงได้ความอดได้ความทนได้อะไรต่อะไรรู้ตัวว่าเราได้กําลังเรามีกําลังอืมก็ยิ้มยิ้มย่องเลยเองยิ้มให้กับมันกัดฟันให้กับมันได้เละตอนนี้เพราะรู้ว่าเออเรารู้ช่องทางที่จะเอาชนะมันได้กัดมันกับกัดฟันใส่มันได้แล้วเห็นหน้าเห็นตาเห็นเงามันแป๊บแป๊บแดาไล่หลังเลยไล่สะพเพิดตามหลังมันเลยได้เลย เนยมันไม่กล้ามาต่อกรกับเราแหละมันมีแต่จะเห็นวอกวกแวมแหวมแล้วแหละมันคอยท่าแตจะหลบแล้วแหละเราเร า, เราได้อยู่กับพื้นกับบาตกับฐานกับตัวเองถึงขนาดนี้มีกําลังขนาดนี้เราเป็นตัวของตัวเราได้อ่าพลั้งเพลอมันแวักเข้ามาทันทีบ้ามาแอบเล่นหลังครัวเราเนี่ยย้อนไปตามหลังมันไปเลยแหละอยู่ตรงไห น, นตรงไหนตามมันนู่นวิ่งเข้าป่าไปแล้ว ลองไม่ตามหลังไม่ตามหลังมันไปมันแอบอยู่ท้ายครวัวนั่นแหละเดี๋ยวา่าแพรบมาหน้าบ้านอีกละเดี๋ยวมาเสนอหน้าต่อต่อหน้าจิตของหลัาอยู่และขึ้นจอยอีกแล้วว่างั้นเถอะขึ้นจอยอีกแล้ ว, ออลวตามหลังมันไปไปไ ล, ล่ลูกแตกลูกแตกแม่เข้าป่าเข้าดงไปนี่คือการย้อนมาพิจารณาเพื่อทำลายความความหลงให้กับกิเลสนั่นแหละ นี่แหละความหลงแคบเดียวแคบเดียวนี่แหละนี่แหละตัวอวิชชาในปัจจุบันไม่ใช่ อ, อวิชชาที่เป็นเหตุปัจจัยเกิดสังขารเนี่ยมันมันได้ประโยชน์เท่านั้นแหละเราคิดย้อนหลังไปถึง อ, อวิชชาตัวนั้นกับคิดมาถึงอวิชชาในปัจจุบันในขณะของจิตเนี่ยที่มันคอยมอันหลอกเราเนี่ยหลอกให้เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยหลอกจากสัมมาทิฐิให้เป็นมิจฉาทิฏฐิมันหลอกแคบเดียวแคบเดียวแคบเดียวเส้นผมบังนั่นแหละ พลิกไปก็เป e like every ็นของมันและพลิกไปก็เป็นของมันและดูให้เห็นตรงนี้ดูให้ทันตรงนี้อืใจเราไปตามกิเลสทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนะทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นเพราะกิเลสหลอกไปเห็นให้เห็นก่นเห็นอุบายเห็นมาอยากของมันวันทั้งวันทั้งคืนถ้าเราเห็นตามหลักของธรรมเห็นตามหลักของสัจธรรมเราเป็นสัมมาทิฏฐิทั้งวันทั้งคืนเรา ดูอยนานี้เห็นเอออะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิเราตกค้างอยู่ในโลกเพราะโลกนี้มันลวงเรามันหลอกเราความเห็นเป็นความเห็นอันจอมปลอมเป็นความเห็นเท็จเป็นความเห็นไม่จริงทิฏฐิมิจฉาแล้วว่าผิดเห็นผิดทำไมท่านจึงว่าเห็นผิดเห็นไม่เป็นตามความจริงที่มันเป็นเช่นอย่างร่างกายเนี่ยตรงไหนมันสวยตรงไหนมันงาม การที่เราเห็นว่าสวยเราเห็นว่างามคือการเห็นผิดแล้วเห็นว่าสวยเห็นว่างามเยื่มขึ้นมาในจิตในจิตเมื่อไรนั่นเห็นผิดแล้วต้องเห็นว่ากายก็คือกายกายก็เป็นกายกายก็สักแต่ว่าเป็นกายไปเป็นรูปก็เป็นรูปไปเป็นเสียงก็เป็นเสียงไปถ้าเราหลงกับมันกายสวยก็เป็นมิจฉาทิฐิไปแล้วกายงามเป็นมิจฉาทิฐิไปแล้ว เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เอาสุภาษมากำกับเอาไว้ถ้าเราไม่เอาสุภาษมากำกับเอาไว้เราไม่ทันมันเห็นปุ๊บสุภาษมันดึงไปแล้วเห็นปุ๊บสุภาษมันดึงไปแล้วคําว่าสุภาษคืองามเยอะในหัวจิตหัวใจเนี่ยเวลาจิตมันกำหนัดเนี่ยอะไรดูเป็นงามไปหมดแหละดูครองก็ดูก็เห็นว่าเป็นงามไปหมด ดูซากศพที่นอนเจาะยุ่ยเยื่อย่ยยก็ยังเห็นภาเป็นงามเพราะอะไรเพราะใจมันกําหนับเนี่นเห็นไหมมันไม่ใช่เกิดขึ้นจะจ ก, กับสิ่งที่เราเห็นนะมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเนี่ยอไปเห็นซากศพถูกนอนเจาะยุ่ยเยื่ยุบยบอยู่นะ่ะโดยเห็นที่ว่าจิตมันกําหนัดเนะี่ยมันก็ยังเห็นว่าภาพอสุภะนั้นน่ะเป็นภาพที่ที่สวยที่งาม มีความชอบใจในซากอสุภะนั้นมันยังมองเห็นซีมองเห็นส่วนที่มันเห็นว่างามอยู่นั่นแหละท่านจึงให้ตั้งอสุภะไว้ที่จิตของเราเห็นรูปก็ตั้งความอสุภะไว้ที่จิตของเราอันนี้เป็นเบรกเป็นห้ามรอเป็นโล่มาบทมาปิดมาบางังมาให้สิ่งต่างๆนั้นมาทับถมไว้จิตของเราพุติเจ้ากุบายอาจารย์ท่านฉลาดท่านให้เอ า, เอ า, เ, อาเอาพิจนาะเอาอาสุภะมากำกับออื อสุภะนี่เราก็ใช้สัญญานั่นแหละเราเอาสัญญาโดยธรรมไปชนะสัญญาโดยกิเลสเอาสัญญาของธรรมเพื่อที่จะไปบทบังสัญญากิเลสสัญญาก็คือสิ่งที่มาปรากฏที่จิตนั่นแหละรูปสัญญาเนี่ยเราสร้างสัญญาที่เป็นธรรมกับรูปชายก็ตามกับรูปหญิงก็ตามกํากับเอาไปกํากับให้เป็นอสุภะคือไม่งามเห็นเป็นไร เห็นเป็นตายเห็นเป็นเน่าเห็นเป็นนอนเจาะยั่วเยี่เห็นเป็นน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลออกยั่วเยี่ยุบยับเนี่ยทั้งสีทั้งขาวทั้งดำทั้งน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลเยิ้มทั้งนอนก้นนอนเนี่ยยุบยับยุบยับยุบยับน้ำเมือกไหลยุบยับยุบยับยุบทั้งเขียวทั้งเหลืองโอ้ยิ่งกำลังดูกลิ่นด้วยแล้วมันอ๊้จะระเบืนจะขาดใจตายล่ะกลิ่นสักขนาดไหน แค่หนูตัวเล็กๆถูกนอนเจาะเอ้ยพวกไก่พวกงูพวกอะไรตัวเล็กๆที่ตายอยู่ในป่าพวกหอกกระแตที่มันตายอยู่ในป่าตัวเล็กๆเนี่ยแม้นขนาดไหนเราดูเถอะแล้วคนตัวใหญ่ๆขนาดนั้นอเนื้อหนังมังสังนี่ยมันมากขนาดนั้นเนี่ยถูกนอนเจาะยุ่ยเยืยุบยับต้งบวมทั้งตึงทั้งชุนทั้งปรีทั้งหลายทั้งเนา่าทั้งกระดูกโปล ทังเนื้อเละๆนอนตัวใหญ่ๆทั้งมีขนทั้งไม่มีขนอ่ะนอนอมันใหญ่เกินไปมันมีทั้งขนมีทั้งไรออยยยกยัย้ายยุบยับทั้งอยู่ในรูเนื้อที่มันเจาะินลึกลงไปทั้งมันเยิ้มไหลออกมาเนะ่ยวิ่งรอบอยู่นั้นทั้งตายทั้งนออนอนเน่านอนะเจาะจนอิ่มจนพอเลยตายเน่าอยนะู่นั้นก็มีสร้างภาพนี้เอาไว้ มันสัญญามันเป็นสัญญาที่เป็นธรรมครูพุทธเจ้าท่านส่งให้เราเรียนสัญญานะอสุภสัญญ า, าท่านให้ตั้งอสุภสัญญาเอาไว้เพราะอาสุภสัญญาถ้าเราจะเทียบก็บเหมือนกับเบรกเหมือนกับสิ่งห้ามล้อเหมือนกับเป็นโล่มาบทมาบางังจากข่าศึกศัตรูข่าศึกของกิเลสนั่นแหละแล้ว เ, เราสร้างปั๊บนี่เป็นโล่ที่จะมาบทมาบังจิตของเราใ ห, ให้จิตของเรามีที่พึ่งมีที่พิงได้อย่างดี ไม่ให้รูปต่างๆเหล่านั้นมาดึงจิตของเราไปได้อย่างง่ายได้เนี่ยนี่ถ้าให้ใช้อันนี้อันนี้ซึ่งเป็นธรมรมพอเราเห็นเป็นรูปเยิ่งามดึงจิตลึงใจเราไปที่ใดพลิกเป็นอสุภะทันทีโอไม่งามอเราไปนั่งหลับตาเราไปนอนหลับตาเนี่ยมีภาพต่างๆที่มาปรากฏเพื่อเจียมหลอกจิตของเราแล้วก็พลิกจากอันนั้นมาเป็นอันนี้พลิกจากสุภะมาเป็นอสุภะทันที เพื่อฉลออเพื่อฉลอในเมื่อในเมื่อกิเลสมันเอาสัญญาเป็นเครื่องมือมันได้เราก็เอาธรรมะที่เป็นเอาสัญญามาเป็นเครื่องมือของธรรมได้เช่นเดียวกันพรูทิจ่าท่านก็สอนให้เราเรียนถูกอสุภาษสัญญาอา น, นิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภาษสัญญาอานิจจสัญญาเห็นว่าทุกสีทุกอย่างไม่เที่ยง มันยังไม่เห็นด้วยอย่างนะครับสัญแต่เราตั้งอสุภะเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่เที่ยงจิตของเราเขาไม่เที่ยงร่างกายของเราไม่เที่ยงของอยู่รอบข้างตัวเราก็ไม่เที่ยงของใช้ไม้ส่อของอยู่ของกินของดิบของดีของที่เราชอบของที่เรารักเราสงวนที่สุดก็ไม่มีอะไรมั่นคงแน่นอนอันนี้จ่าสัญญาไม่เที่ยงไม่เที่ยงนัตตาสัญญาบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้ อะไรก็ไปให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้ร่างกายของเราแท้ๆสารสารักษ า, รารประกบ ป, ประมงมมาจนขนาดนี้กินข้าวกินน้ําให้กินอยู่กินยาอะไรมาถึงขนาดนี้เรายังบังคับมันใช้เป็นไปตามใจหวังเราไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยที่มันเป็นไปตามปัจจัยของมันเหตุปัจจัยที่เอามาเกี่ยวข้องกับกายเช่นอย่างใส่ข้าวเข้าไปอาหารเข้าไปข้าวน้าําอาหารต่างๆว่านั้นล้วนแต่น เ, นเน่าเฟะเท่านั้นล่ะลองปล่อยให้ล่วงการผ่านเวลาไปสักน้อยหนึ่งว เน่าเฟะทนั้นแหละร่างกายนี้ก็บริโภคสิ่งที่เน่าเฟะร่างกายนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องเน่าเฟะเราจะให้มันเที่ยงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนไม่ได้เราจะกํากับดูแลให้มันเป็นไปตามใจหวังเราก็ไม่ได้อันนี้จะสัญญาพระุทธเจ้าท่านไทยเพ่งําหนดดูร่กายเหล่านี้ไม่เที่ยงนี้จากสัญญาดูนานๆดูบ่อยครั้งเข้า ด้วยจิตของเราที่เป็นธรรมสร้างสัญญาที่เป็นธรรมอสุภสัญญาก็ตามนัตตะสัญญาก็ตามอนิจจสัญญาก็ตามเราใช้สัญญาเป็นบาทเป็นฐานนานๆเข้าก็จะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาได้อย่าลืมว่าปัญญาที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราใช้สัญญาที่เป็นธรรมก่อน จากสัญญานี่ก็จะใกลกลายเป็นปัญญาขึ้นมาได้จากของที่เราวาดนี่แหละจะกลายเป็นของจริงของแท้ขึ้นมาได้เหมือนอย่างจิเล่มันวาดให้กับหัวใจของเราเออมันวาดอะไรละ่ะมันวาดดัง น, นั้นมันวาดดังนี้วาดไปวาดมาวาดไปวาดมาเนี่ยเราหลวงตัวให้กับมันเนี่ยอ้าวต้องยืนตามมันต้องเดินตามมันต้องทําอย่างนั้นตามมันต้องทําอย่างนี้ตามมันจนได้ อ่าเพราะอะไรเพราะมันสั่งสมมากๆเข้าเมื่อกําลังหมันมากเราต้องเดินตามมันจนได้อาลองพูดถึงเรื่องสูบุหรี่อ้าวบุหรี่โ อ, โอโ้เส็ดนี้แส็ดนี้ตอนนึเอ้าคว้ามาแล้วมับแล้วเราไปรู้รู้สึกตื่นขึ้นมาคว้าใหม่แล้วอาหารที่เรารับทานได้ตามใจชอบ น, น, น, อาา น, น, นึกถึงอาหารนั้นนึกถึงอาหารนี้เดินไปคว้ามาแล้ว นึกถึงอาหารอ่ะ น, นี้เดินไปความมาแล้วนี่เขาเรียกว่าถูกสัญญาหลอกแล้วอ่าคิดถึงอะไรคิดถึงมะนาวอ่าคิดถึงมะม่วงคิดงน้ําปลาหวานนึกไปนึกมานึกไปโ อ, อ้น้ําลายเยิ้มเต็ ม, เตมปากเลยน่นเห็นไหมนึกถึงสมออ่าสมอดองรสแซ่บรสอร่อยนึกไปนึกมานึกมนอ่าน้ําลายเยิ้มเต็ ม, เตมปากเลยนี่เห็นไหมสัญญามันหลอกเราลูก การที่มันจะเอามาหลอกเรามีสารพัด ท, ที่มันจะเอามาหลอกเราเราจะดำรงตนอยู่ในธรรมศึกษาธรรมยึดมั่นอยู่ในธรรมให้จิตของเราเกาะมั่นติดมั่นอยู่กับธรรมเราต้องพยายามมาน้อมมาโดยธรรมสารวมมาเพื่อธรรมระมัดระวังมาเพื่อธรรมอดทนเพื่อธรรมอุตสาเพื่อธรรมคาม ภาคทาความภาคความเพียรเพื่ออัดเพื่อทําจิตของเราก็จะอยู่โดยทะไม่งั้นเราจะถูกกิเลสดึงไปหมดลากไปหมดไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของมันได้หมดตามหลังมันต้อยต้อยต้อยตอยแล้วก็ยอมเป็นธาตมันโอ้ยอีกกาพีกันก็ยินดีละยอมมันละยอมมันแล้วขอให้อย่างนั้นเถอะขอยห้งี้เถอะเห้นไหมมันซ้อนมาไหมมันเป็นซ้อนเป็นซ้อนที่มันจะมาเป่าหูให้เราเคลิ้มไปตามมันอ่ะมันไม่ยอมนะ ถ้าเราไม่จี้ถึงฐานมันจริงๆเนี่ยมันไม่ยอมจี้ถึงฐานมันจี้ที่ไหนจี้มาที่จิตของเราเนี่ยก็นวมจิตอยู่กับจิตรู้อยู่กับจิตอยู่กับผู้รู้รู้อยู่กับผู้รู้อยู่ถึงนี้แหละมันไม่ไปแหละเรากําหนดย้อนมาที่นี่จนถึงที่นี่มันไม่ไปแล้วะมันอยู่กับฐานเนี่ยมันไม่ไปแล้วแหละตอนที่มันไม่อยู่ก็เอาพุทโธกำกับเข้าไปพุทโธพุทโธทำความ ทำความยินดีทําความพอใจอยู่กับพุโทโธนี่แหละโอ้ยพึ่งกับพุโทโธนี่เป็นกับพุโทโธตายกับพุโทโธอดกับพุทโธทนกับพุโทโธเพียนกับพุโทโธนี่แหละอ<ม>ถนอมวันถนอมเวลาถนอมนาทีอยู่กับพุโทโธนี่แหละไม่ปล่อยแหละไม่ปล่อยทําความเลื่อมใสทําความศรัทธาทําความพออกพอใจฉันทักมีวิธิชะก็ต้องมีมีปัญหาอะไร กิขึ้นตามหลังมาก็ต้องแก้ไขสิ่งที่เราเพึ่งสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เรามุ่งหวังต้องประสบความสําเร็จแน่นอนพุฒิญาติาทรงตรายอิทธิบาทอิทธิบาทคุณเครื่องแห่งความสําเร็จต้องมีความพอใจฉันทะวิริยะเมื่อมีความพอใจและความภาคความเพียรความอด ท, ทนก็ตามมาในสักหน่อยเราก็จะต้องประสบต้องการให้สงบ เราจะต้องประสบผลสาเร็จกิดได้รับความสงบไปสงบมากได้สงบน้อยก็เป็นกำลังบวกเข้ามาบวกเข้ามาทวีคูณเข้ามาทวีคูณเข้ามาเยบออกนอกเรื่องไปเป็นเรื่องของกิเลสดึงมันเข้ามาเยบออกไปก็ดึงเข้ามาเยบออกไปเรื่อยๆออกไปบ่อยๆก็เอากิริยาของธรรมนี่แหละไปสับเปลี่ยนมันอ้าวมันคิดเรื่องรูปรูปสวยรูปงามรูปคนนั้นคนนี้จิงคนนั้นชายคนนี้ สวยๆงางๆทําให้เรารักให้ล롱ๆเราชอบมันเอาอาสุภะไปตั้งมันนัเยอะให้มันเบือ่อให้มันนานคลายจากขึ้นมาทันทีพยายามศึกษาเข้าไว้อันนี้ก็เป็นอาวุธของเราอันนั้นก็เป็นอาวุธของเราเพื่อที่จะเอาไว้ต่อกอกับกิเลสศึกษาเอาไว้ฝึกฝนเอาไว้อบรมเอาไว้ประครับประคองเอาไว้เอามายใช้กํากับกายของเรากํากับว่าจางของเรา ก, กํากับจิตของเรา เพื่อที่จะต่อกรกับมันจะไปยอมชนะอะไรให้กับมันถ้าเราทําตัวได้อย่างนี้เป็นการรีบเร่งรัดเป็นการเดินทางรัดเข้าไปเพื่อพ้นจากวัฏสงสารเพื่อที่จะพ้นทุกข์พ้นโทษในวัฏสงสารเมื่อเราตั้งอกตั้งใจอยู่อย่างนี้มันไม่ยอมปล่อยให้มันแหละมันจะมาจากไหนมันจะยกองทัพมาจากไหนเพราะทำชนะอยู่แล้ว ทำชนะกิเลสอยู่แล้วขอให้เราเอามาใช้กันอเอาละพอทุ่งควรละเราก็เที่ยวไปอนุโมทนากระถิ่นหลายแห่งละวันนั้นก็ไปร่วมกระถินกับอาจารย์สมพรแสนหนึ่ง นี่เล่าอ ห, หมู่เราฟังเพื่อหมูเราได้อนุโมทนาร่วมกันวันนั้นไปอานุโมทนาที่จันสมพรหน่งแสนหนึ่ง<ม>ก็เอาเงินจาก<ม>วัดเรานี่แหละแล้วก็มันโพวนวันที่หกเราไม่ได้ไปเราก็ร่วมอนุโมทนากระถิน่นกับเขาไปในห้าหมื่อก็เงินวัดเรานี่แหละ เป็ น, เนื้อเป็นหนังของพวกเรานี่ยแหละอนุโมทนาเอาเมื่อกี้ก็ว่าจะไปโมทนานกับท่านเด่นพราะท่านเด่นไม่อยู่ก็เอาไว้ก่อนแล้ววันก่อนก็นู่นไปอนุโมทน า, นานกับท่านแปะสามหมื่นโมทนานกระถิ่น <ห ừ. S 1> แล้วก็เมื่อวานนี่ก็มีมนรทท่านเหลือมาท่านเหลือมีเขาทํำสลาด้วยแล้วก็ถิ่นเขาเขามีมรรทเราวันที่สิบสามสิบสี่สสิกีกาเนี่ยอันนี้ก็อนุโมทนานกับเขาไป ห้าหมืน่นนี่มันกี่หมื่นมาแล้วเป็นเนื้อเป็นหนังของพวกเราใครฉลาดก็อนุโมทนาเอาใครไม่ฉลาดก็ไปตั้งอิจฉาริษยาเอาเถอะใ ค, อใครฉลาดก็อนุโมทนาเอาอแล้วเขาว่าจะไปอนุโมทนากับน้องกองอีกเพราะน้องกองเนี่ไอ้พวกมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยคณะบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ เขาตังต้งเขาก็เอาชื่อของเราไปใส่ในนั้นเขาเขาเนี่ยนี่ก็ให้ซองมาห้าซองนี่ยังอยู่เนี่ยซองเนี่ <Huh? S 1> ให้ซองมาห้าซองเนี่ยวันนั้นเนี่ยวันกระถิ้นเนี่ยวันกรถินเราเนี่ยนนั้นเอามาให้เนี่ยห้าซองแล้วก็มีชื่อมีรายชื่อมีอะไรของเราอยู่ในนั้นหมดเป็นคณะกรรมการอยู่ในนั้นหมดเราดูไปแล้วมีอะไรอุย้ยศาสตราจารย์เต็มไปหมด ถพวกนีท้ทาบุญมาคนละสแสนละแสนโอ้ได้เงินตั้งห้าหกล้านนะอันนี้เราเนี่ยวันนี้ไปว่าจะเอาไปที่บ้านน้องที่น้องกองเพื่อที่จะไปเพราะว่าวันนั้นเราไม่อยู่วันที่ห้าเราก็ไปภูกเก็ตแล้วก็เลยตกลงว่าจะไปวันพรุ่งนี้เลยจะไปน้องกองแต่ว่าซองยังอยู่นะซองอซองยังอยู่ห้าซองมันจะได้ซองละห้าบาทโอ้ ยังไม่ได้เอามาให้ใครเลยเนีย่เราก็เหนื่อยมากนะเรื่องซองเนะ่ยเราไม่ถนัดที่จะเอาซองไปแจก ท, ที่นู่นที่นี่บางทีไม่มีใครใส่เราก็เอามาทิ้งไว้ในวัดนะ่ะเป็นกองกองอยู่นั่นแหละเรามีห้ามีสิบเราก็ไปช่วยไปตามเรามีเราอุกอังใจมากเรื่องซองเนะพราะเราไม่มีคนแจกเนีเ่ยแจกคนของเราก็ดูไปแล้วก็โอ๊ยม่ีเลยห้าบาทสิบบาทก็แค่นั้นแหละ เขาเขาใส่มาแต่เวลาเราเน้นเราก็ไม่เคยเอาสองไปเราก็เอาไตเงินไปช่วยเขาหน้องกองพวกนี้ก็่าจะเอาไปช่วยเขาสักสามมื่นก็เนื้อหนังของพวกเราเนี่แหละนโมธนาเท่าไรแล้วนับดวก็แล้วกันแหละแล้วก็มีที่ไหนอีกที่เราทำไปแล้วตอนแปะวันนั้นก็สามมื่น น้องกอพงพวกนี้ก็จะไปถวายสามหมืนวัดท่านเด่นวันนี้ก็ไปท่านเด่นไม่อยู่ก็จะไปถวายหนึ่งหมืนที่ก็ยังไม่อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะแวะเข้าไปเออวันก่อนน้องกอลงปุรีสามหมื่นลุงปุรีท่านอยู่ที่บรรดาน่นเราคิดว่าถวายลุงปุรีลุงปุรีก็ถวายุ้งตามหมดนั่นแหละเราถวายลุงปุรีสามหมืนแต่ว่าฝาก พระฝากเช็คพระไปถวายล้มตาอีกหนึ่งมืน่นเป็นสี่หมือนี่ไปกันตายว่านั้นสี่หมืน่นเนี่ยนับดูไปเป็นเท่าไหร่แล้วัองกันวัดเราทั้งหมดนั่นแหละไปทำบุญตัวเหตุที่เราทำบุญอย่างนี้แหละถึงมีคนมาทำบุญกับเราอย่างนี้ลองเราเอามาแล้วเก็บเงียบเร า, เามาแล้วเก็บเงียบไม่ทำบุญเลยเนี่ยอด ไม่มีดอกตัวเองก็ไม่ได้บุญคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องที่จะมาทําบุญด้วยตัวเองก็อดแต่ของที่จะเข้ามาก็เข้ามาไม่ได้เพราะเราไม่เปิดเราไม่เปิดใจกว้างเหมือน้องตาท่านพูดไม่เปิดเลยไม่เข้าเลยฟังดูดิเราคิดดูดิลูกตาถ้าไม่เปิดเลยนี่จะไม่เข้าเลยนะมันไม่มีรูเข้า เมือลงอุงตาท่านเปิดมาตไหลทะ เ, เลยก็เลยเปิดมาไหลทะเลย์ไปเลยอืมแต่ท่านถึงขางนาดน้ำโตนแล้วน้ําตกนู่นน้าําตกแองคาลานน้ําตกใหญ่ๆนั่นของเราแค่น้ําซึมน่ะแค่น้ําซึมนถ้าเราไม่ตัดออกโอกาสที่จะซืึมมามันก็ไม่ซึมนะแต่ของท่านน่ถึงขนาดนั้นแหละถึงขนาด ไหลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปปวดใหญ่เท่าไหร่ก็ไหลออกมากเท่าไหร่มันก็ไหลเข้ามากเท่านั้นแหละอันนี้เราพูดตามท่านแต่เรื่องเหล่านี้เราก็มีความเลื่อมใสศรัทธาคําบอกคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วอืเราทําบุญย่อมใดบุญบุ ญ, บญทั้งหลายทั้งปวงย่อมเพิ่มย่อมเพิ่มพูให้ความสุขเราเอาทรัพย์ไปทําให้เกิดอริยเทรัพย์ มันเป็นทรัพย์ของเขาเขาทำมาเป็นอริยทรัพย์ของเขามันตกมาเป็นทรัพย์ของเราเราก็เอาทรัพย์ของเราทำเป็นอริยทรัพย์ให้กับเราโลกนี้อยู่อย่างนี้เก็นอยู่อย่างนี้เราก็ช่วยเหลือเพื่อกูนกันอยู่อย่างนี้แต่เราก็คำนึงคำนวณอยู่เพื่อให้เพียงพอในการใช้สอยของวัดเรา บางทีเราก็ซ่อมแซมอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้ด้วยแต่เรื่องการซ่อมแซมเสนาสะนะอะไรแต่ไรเนี่ยคนไทยเวลาเขาเขาบอกเขาเขาจะช่วยมาเลยแหละปีที่แล้วเขาก็ช่วยมาตั้งล้านกว่าไม่ต่างกับล้านห้าที่ไปทํำกตฏิหลังนุ่นรวมสองหลังแล้วหมดไปตั้งล้านหกล้านเจ็ดนะนี้เขาก็ให้มา เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาก็มาเนี่ยมาคุยมาถามมาถามเราอีกจะซ่อมแฉะมาอะไรจะทําอะไรยังไงเราก็บอกว่ายังไม่ได้คิดอะไรดอกถ้าเราจะทําอะไรเขาก็จะให้ปัจจัยมามาทําแต่เราได้มาแล้วมาทําเราก็เหนื่อยบางทีอันไหนมันพอแล้วเราก็ไม่ทําทำก็เหนื่อย ปัจจัยกฐินนี่เขาเขาพยายามให้เราส่งวนไว้รักษาไว้เพื่อความเป็นอยู่ของของวัดเราเพื่อพระเพื่อเนีนเจ็บใครใดป่วยเพื่อนเพื่อนเอนเพื่ออาหารเพื่ออะไรอะไรไปเขาก็ตามมาดูแลเร า, เราตลอดตามดูแลเหมือนกับเหมือนกับตามดูแลบุตรเหมือนกับพ่อแม่ตามดูแลบุตร เหมือนกับครูบาอาจารย์ตามดูแลลูกศิษย์เขาก็ตามดูแลเขาก็อยากได้บุญกับเราเราก็เหนมาแล้วก็ปลูก น, นปลูก น, นปลกนู้นอเอ้ยแล้วจะเพิ่นเห็ดเพิ่นเห็ดรอดนะเห็นอันนั้นเหมนเห็นต้นอันนั้นงามๆหรอชอบใจแบ น, นีน้เห็นไเอามาปลูกแล้วปลูกนนปลูก Ừ, ột, ột, này, เออใหรลดผุลดเก็บอกว่าลดนี่ลดตัวนี่เราจะเอาไปให้ใส่บาอที่กรุงเทพใส่เป็นหนังมุมหนังเรามาสกปรกหมู่เราใช้ดูแลวาทีก็ไม่สะอาดสกปรกถ้าเป็นหนังนี่มันรักษาง่ายคนก็อยากให้ใช้ไปสักสองปีพูดไปพูดมาเออแล้วแต่ท่าน เราก็บอกว่าไอ้ปล่อยให้มันสกปรกเน่าซะ ก, ก่อนแล้วค่อยไปหุ้มที่หลังไปหุ้มมันน้เน่าไว้ข้างในอย่างนัะเดี๋ยวเราเราไปน้นก็จะให้เข้าไปไต้อมมันก็อาสานมัไอเ้เจียงมันคงบอกกันแหละวันนั้นก็ไปนอนที่บ้านต้อมของศรีนครนายกะเดีย๋ยววันนั้นแม่เข้ามา แม่พ่อของเขาที่มาถวายตรงเนี้ที่นั่งถวายเยอะกับหมูนั่นแหละพ่อแม่ของเขต้องแล้วก็ตัวเขาเองก็อยู่นู้นวันนั้นเขถวายก็ถิ่นมาห้าหมืน่นต้องที่เราไปงานศพพ่อตาเขานะเขาก็ในมลไปแล้วก็ไม่เคยไปต่อเพิ่งเพิ่งไปครั้งเดียวนี่แหละเขาก็กราบขอบบุญขอบคุณดีอกดีใจต้องลูกศิษย์อาจารย์อินนั่นแหละ มีเขาก็รวยรวยเข้าพวกคุณสมบัติเอ้พวกอะไรเนี่เป็นเครือข่ายของเขาหมดเละคนนี้เอาเข้าส่งคุณสมบัติคุณสมบัติก็ส่งนอกพวกลูกศรนั่นที่มาถ้าแก่ลูีนะตุ้ยตุ้ ย, ยพี่ชายเขาก็มาวันนั้นพี่ชายเขาก็มาเป็นพี่ชายคนโตครับคนนี้แหละช่วยน้องหมดจดนน้องเนี่ยปีกกล้าขาแข็งทุกคน คนนี้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ อ, อินพอเก่งคงรู้ใจกเจงแหละต้อมเขาก็อาสาจะเอาหุม้มจะหุมเฉพาะเบาะหรือจะเปลี่ยนทั้งที่นั่งจะเปลี่ยนอะไรมันทําให้หมดว่าแต่เราให้มันทําแต่โอ๊ยเอาไว้เนี่ยถ้าจะหุม้มหุ้มเฉพาะเบาะจะเอาอะไรก็แล้วแต่ ไอเจีงก็อาสาเอาไปแล้วคุณจะจัดการเองเราเลยเออไปหุ้มมันเสร็จซะถ้าเผื่อยังไงเรามาก็ไอเจียงรับมาไปรับเราที่สนามบินแล้วก็มานี่ก็ได้ก็ไม่ไม่แน่แหละบางทีไปทำก่อนเสร็จก่อนก็ให้เอากลับมาก่อนเรามาเรานั่งเครื่องมาสบายกว่าลงดอน วันที่ห้าเนี่ยเไปภูเก็ตทางหน้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นฤดูฝนของเขาเนี่ยทางนพายุกำลังเข้าภูเก็ตทางานเพายุกำลั ง, ง, ก, ง, ง ก, กันนำวั น, วนสองวันก็นำมาวันกว่าและสองวันไอถึงวันที่เราไปมันหมดแล้วยังก็ไม่รู้ทางหาดยงหาดใหญ่จากนน้น น, น้ำท่วมในรอบเจ็ดสิบปีอะังไม่เคยเป็น ปีนี้มาลุยยังไงมัทุกนั้นดะูโคราชนะในรอบห้าสิบปีน้ำท่วมท่วมไปถึงในเมืองเนละพวกเราอย่าไปคิดอะไรไกลมากคิดง่ายๆคิดภาวนาแบบที่บอกมาแนะนำมานไม่งั้นไม่งั้นไม่อยู่ดอกให้จิตมันเป็นธรรมเชือก่อน ว่จิตมันเป็นธรรมแล้วมันมองอะไรเป็นธรรมแล้วมันมันได้กำไรหมดแหละจะอยู่จะไปไหนอะไรยังไงมันได้กำไรทั้งหมดมันเป็นกำไรมันเป็นธรรมไปหมดเอาหลักให้มันได้เอาหลักความสงบเนี่ยเอาให้มันได้อดทนมันเป็นการคุ้มค่าแเรยจะไปอดทนกับทนกับอย่างอื่นจะยไปเสียสละชีวิตกับอย่างอื่นเนี่ย มาอดทนกับธรรมมาเสียสละชีวิตกับธรรมนี่คุ้มค่าคุ้มเกินคุ้มคุ้มที่สุดเหมาะสมกับผู้ฉลาดเหมาะสมกับผู้ที่ฉลาดเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ฉลาดได้ไปเสียสละอย่างอื่นไปอดทนก็นอย่างอื่นไปตายกับอย่างอื่นไม่ฉลาดเลยอ่า ไม่ฉลาดเลยนอกจากไม่ฉลาดแล้วโง่อีกด้วยนี่หมายความว่าเสียสละอดทนเสียสละเป็นเสียสละตายมาอดทนกับอย่างนี้เออตัดสินใจถูกต้องดีงามฉลาดเป็นบัณฑิตได้ถ้าไปเสียเสียสละกกับอย่างอื่นให้กับอย่างอื่นยังยังไม่ฉลาดคือฉลาดฉลาดแบบโลกกับฉลาดแบบธรรมอยู่ในขั้นนั้นระดับนั้น อันนี้เป็นข้อคิดไม่ได้ตำหนิตีเตียนให้กับท่านผู้ใดโดยทำที่แท้จริงเป็นอย่างนี้กล่าดูพระพุธทธเจ้าทีนั้นท่านจะทิ้งทำไมอ่ะเพราะท่านออกไปทั้งหดึงได้หมดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเมียทั้งญาติทั้งวงศทั้งตระกูลท่านดึงไปหมดพวกเราเป็นกุลบุตรกุลบุตร ค, คือบุตรของพระพุทธเจ้ากุลบุตรพุทธชีโนรถ โอ้ oh, ฟังดูดิฟังดูดิคำกุลบุตรพุทธชิโนโรสเจ็บ่อยได้ป่วยมาพระองค์รงรับรองหมดโอ้ oh, ลูกศิษย์ของเราตถาคตเจ็บ่อยได้ป่วยใครดูแลรักษามีผลมีอ น, น้สงเท่ากับดูแลเราเพราะเป็นบุตรเราช่วยผนเบาเรา ช่วยดูแลแทนเราอุ้ยเราฟังแล้วเป็นไงอ่ะน้ำตาร่วงเห็นเห็นเมดความเมตตาของท่านน้ำตาร่วงอ่ะที่ท่านทรงวางร่างวางฐานวางอะไรเอาไว้ก็เราดูฟังให้ถึงใจเอาให้ได้รับความสงบเถอะให้จิตเราเป็นธรรมมันจะอ่อนออนนิ่มเป็นธรรมเอาละเขาสมควรเนาะ